รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรค 1. โอวาทาศิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี 2. องัดถังคตะศิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว 3. ภิกขุนูปัสสยะศิกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก 4. อามิสะสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิตร 5. จีวรธานะสิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรหกจีวรสิพณะสิกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี 7. สั่งวิธานะสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน 8. นาวาพิรูหณะสิกขาบทว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกัน 9. ปริปาจิตะสิกขาบทว่าด้วยการฉันบินดบาต ท, ที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม 10. พระโหนิสัชศสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับ